เพื่อนสหัทัญิกเจริญพรทุกทุกท่านธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนสาสัาขาหนึ่งแต่เราไม่คุ้นเราไม่เคยได้ยินธรรมะแท้ๆนะส่วนใหญ่เราเข้าวัดเราฟังธรรมส่วนมากเราก็าฟังธรรมะระดับทำทานถือศีลอย่างเก่งก็นั่งสมาธิ บางคนคิดว่าการนั่งสมาธินี่สุดยอดของศาสนาพุทธแล้วควจริงเป็นแค่ตั้งตนเท่านั้นเป็นแค่จุดตั้งต้นจุดสําคัญของศาสนาพุทธนี่คือการเจริญปัญญาการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธินะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวางไปบวชเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปเรียนนั่งสมาธิกระลืษีก่อน ไปนั่งสมาธิจนได้ฌานที่8นะแล้ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทางในพวกเรานักฆวัดนักปฏิบัติอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ไปนั่งสมาธิกันคิดว่านั่งมากๆแล้วจะเกิดสติเกิดปัญญาพ้นทุกได้พระพุทธเจ้านะเจ้าชายสิทธัตถะท่านสรุปมาตั้งแต่แรกแล้วนั่งสมาธิจนได้ฌานที่8นะีก็ยังไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกได้เลยท่านก็ออกมาสแสวงหา ธรรมะของท่านเอาเองนะเดี๋ยวหลวงพ่อก่อนเทศอธิบายนิดนะเวลาหลวงพ่อเทศน์เนีได้โปรดงดถ่ายรูปถ่ายรูปมทําให้พวกเราวอกแวกเสียสมาธิ ฟ, ฟังธรรมะต้องใช้สมาธิในการฟังเป็นศาสตร์ที่ประณีตเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากนะไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วนะการปฏิบัติจริงๆง่าย ง่ายมากๆเลยอย่างเราจะทําทานไม่ใช่ทําง่ายๆนะต้องสู้กับความเจนีเนี่ยแน่นในใจเราเราจะรักษาศีลก็ต้องสู้กับความใจร้ายใจดําของเราเองนะเราจะนั่งสมาธิเราสู้กับความฟุ้งซ่านของเราเองการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้สู้กับใครเลยนะสู้กับความไม่รู้ของเราเท่านั้นเองนะมาฝึกจิตฝึกใจให้รู้ความจริงรู้ความจริงแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ก็ชีวิตก็จิตใจไม่จะพ้นจากความทุกข์ไปนี่เจ้าชายสิทธัตถะเปนั่งสมาธิกับฤาษีอยู่ไม่กี่วันใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็สรุปว่าถึงนั่งเข้าสมาธิได้ฌานที่8ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พวกเราทุกวันนี้โดยเฉพาะนักบวชนะพวกพระเนี่ยชอบนั่งสมาธิมากเลยแต่ในแต่ใดมาแล้วนั่งสมาธิกันเกี่ยวกล่าวทําใจสงบแล้วหวังว่าจะเกิดความพ้นทุกข์ไม่เกิดนะ เมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์วัดตามากเลยนะส่วนใหญ่ที่ท่านสอนหลวงพ่อนะท่านสอนให้ดูจิตดูใจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตใจเรืสมาธิหลวงพ่อรรเทําตั้งแต่เด็กแล้วนี่วันหนึ่งไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่ามีชื่อเสียงมากเลยนะรุ่นท่านรุ่นใหญ่กว่าหลวงตามหาบัวนะมีชื่อเสียงสมัยก่อนนะถนนทุกสายของนักปฏิบัติจะมุ่งไปที่นี้นะ เจอหินมักเต่งวัดหลกงปูเทศในกลางคืนหลวงพ่อก็ไปดูที่โบสถ์เขานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันไปดูที่โบสถ์มีคนนั่งสมาธิเต็มเลยรอบรอบโบสถ์ก็เดินจงกรมกันนั่งบ้างเดินบ้างเยอะแยะไปหมดเลยร่วมร้อยนะคืนหนึ่งคืนหนึ่งไปดูแล้วไม่มีใครปฏิบัติในใจคิดอย่างนี้นะไม่มีใครปฏิบัติมีแต่คนนั่งสมาธิสุ่มๆเงียบๆสงบสง บ, สงบไป ใ, ใจก็คิดว่านี่ไม่ใช่การปฏิบัติแล้วเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่ก็หลวงปู่เห็นหน้าเรานะท่านก็ยิ้มหวานหลวงปู่เป็นพระที่ยิ้มนะไม่ค่อยว่าใครให้เจ็บช้าน้ําใจไม่เมียเร่อนงะว่าให้ดูเดือดต้องอย่างหลวงตามหาบัวเล่นดูเดือดอย่างหลวงปู่เทศ น, นะจะยิ้มหวานพอเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็ยิ้มเลยท่านก็บอกวัด น, นี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วละนะี่คือสิ่งที่เราไปคิด สามารคนอื่นไว้ตอนกลางคืนนะไปเดินที่โบสถ์เห็นคนนั่งสมาธิเดินจงกรมเต็มเลยเป็นร้อยเลยนึกในใจว่าไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะว่าทำสมาธิก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเคริ้มเลิมสมาธิสงบซึมซึมลืมเนื้อลืมตัวนะยังดีกว่าอีกพวกหนึ่งนะพวกหนึ่งนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านเห็นโ น, น่นเห็นนี่เปโ น, น, น่นะออกข้างนอกเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเงี้ยกิเลสไม่ลดเลยสักนิดเดียวนะกิเลสมีแต่เพิ่มว่ากูเก่งกูเก่ง เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนนะสอนเราจริงๆก็คือท่านสอนว่าเราไปดูว่าคนอื่นเขาไม่ปฏิบัตินะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันเราหมดแต่ดูคนอื่นนะเนี่ยถ้าเราฟังเป็นนะครูบาอาจารย์สอนเรียบร้อยแล้วเราฟังแล้วก็ซาบซึ้งถึงใจ30ปีไม่เคยลืมเลยท่านยิ้มหวา น, นบอกวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะมันรวมทั้งเราด้วยถ้าเราวัวไปดูคนอื่นว่าไม่ปฏิบัตินะ ในจริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธินะมันต้องก้าวไปสู่ขั้นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะพวเราไม่บริสุทธิ์หรอกนะเพราะว่าปัญญาเราไม่พอปัญญานี่คืออะไรปัญญานี่คือการเห็นความจริงของกายของใจตัวเอง ปัญญามันมีเป็นระดับระดับไปนะปัญญาเบื้องต้นเลยพระโสดาบันมีปัญญาเบื้องต้นนะพวกเรายังไม่ใช่โสดาบันเขาเรียกว่าปัญญาจุ่มจิมเล็กน้อยจะเรียกว่าปัญญาอ่อนก็ไม่เชิงนะเราคล้ายๆแหล ะ, ะพระโสดาบันยังปัญญาเล็กน้อยเลยคือเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะ ไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ด้วยไม่มีตัวเราในที่ใดเลยพระโสดาบันจะเห็นอย่างนี้นแต่ว่ายังมีทุกข์อยู่นะเพราะความยึดถือสิ่งต่างๆของพระโสดาบันยังมีอยู่ยึดถือกายยึดถือใจมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็จริงนะคล้ายๆยืมโลกมาใช้แต่ยังหวงอย่างบางคนยืมของของชาวบ้านมาใช้นะรู้ว่าของยืมมาแต่ไม่คืน เสียดายอยางเอาไปใช้อีกนานๆนานเอาไว้พังแล้วจะคืนนะเนี่ยพระโสดับันเขาจะรู้สึกนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นของโลกยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่คืนหรอกห่วงนะก็ยังยึดถืออยู่นี่ปัญญาเล็กน้อยนะเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาปานกลางพระนาคามีเนี่ยท่านได้ปัญญาปานกลางท่านเห็นความจริงแล้วว่าไอ้ตัวที่กายใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราก็จริงนะแล้วมันเป็นตัวอะไร ท่านเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกนะแต่จิตเนี่ยเป็นตัวสุขเป็นตัวดีตัวพิเศษนะงั้นท่านจะรักจิตละสงวนรักษาจิตนะตัวผู้รู้เนี่ยอย่างเด็ดเดี่ยวที่สุดเลยนะถนอมรักษาจิตอย่างดีเลยแต่ร่างกายนี้ไม่ยึดถือนะหมดความยึดถือในกายเพราะเห็นแล้วกายนี้เป็นทุกร้อ์เซ็น์ะแต่จิตยังเป็นตัวสุขอยู่เมื่อ30ปีก่อนเหมือนกันนะ ในนี้หลวงพ่อชัดแก่แล้วนะรีเฟอร์ทีหนึ่งสามสี่ปีละนะสาปีก่อนเป็นนั่งอยู่กับหลวงปูดุลนะหลวงปูดูลวันหนึ่งอยู่กับท่านท่านก็ปรารบธรรมะขึ้นมาท่านบอกว่าทุกวันนี้นักปฏิบัตินะทุกวันนี้หมายถึงเมื่อสามสปีก่อนนะ2องพันา่าบอกทุกวันนี้นักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงมีเกียรติคุณระดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะส่วนมากเป็นผีใหญ่ เป็นผีใหญ่ได้ยินอย่างนี้เราก็ฟังไว้นะอย่าไปถามถ้าถามถ้าหลวงปู่ดูลจะไม่เทศต่อเลยนะถ้าจะหยุดเลยเพราะใจเราฟุ้งซ่านแล้วไม่สอนละแต่วันนั้นนั่งเงียบๆไปแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอีกเราก็ไม่ได้ถามพอออกจากหลวงปู่ดูลนะเข้าไปถามพระอุปถัมภ์ว่าหลวงพี่หลวงพี่ผีใหญ่แปลว่าอะไรนะผีใหญ่หรอผีใหญ่หมายถึงเป็นผลมอนาคาเป็นพระอนาคามีนะ เดีท่านบอกเลยนักปฏิบัติดังๆเนี่ยนะที่ว่ามีชื่อเสียงมากๆเนี่ยส่วนมากไปได้แค่ผ่านหนักขามีผ่าน ด, านดาญญา่านสุดท้ายนะาปัญญาขั้นสุดท้ายเนะี่ยไม่ผ่านปัญญาขั้นสุดท้ายเนี่ยคือการเห็นความจริงว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะจะเห็นไม่ได้เลยนักปฏิบัติยิ่งปฏิบัติไปจิตใจยิ่งมีความสุขรู้สึกว่าจิตนี้เป็นตัวสุขนะจิตเป็นตัวเที่ยงสว่างสวายอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนจิตมันเที่ยงจิตมันเป็นสุข จิตมันบังคับได้เนี่ยอยู่ในอำนาจเราเราฝึกมาอย่างดีจิตนี้เราบังคับได้เพราะฉะนั้นเจ็บสังวรรักษาจิตหลวงตามหาบัวท่านเรียกตัวจิตผู้รู้นี่ว่าจิตอวิชาคือเรายังมีความโง่แทรกอยู่ในจิตนั่นเองเรายังเห็นว่าจิตนี้เป็นของดีของพิเศษปล่อยไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ก็ยังยึดถือจิตอยู่ยึดถือจิตยังไปเกิดอีกจะ ไ, ไปเกิดในผลมโลกไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นคนไม่เป็นสัตว์นโลกสัตว์ในราชานอะไรไม่เป็นแล้วแต่จะไปเป็ี่ยนเ พ, พื่อผล ก็ยังไม่พ้นทุกข์อีกแหละเนี่ยถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆนะมันจะมาสุดท้ายเลยมันจะทะลวงเข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้นี่เองจะเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะมันจะสลัดคืนจิตไปไม่ยึดถือจิตคราวนี้สภาวธรรมอีกชนิดหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมาจิตใจที่เคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างเนี่หายสับสูนไปเลยมันเกิดเป็นธาตรู้ชนิดใหม่ขึ้นมานะครูบาอาจารย์ท้าเรียกว่าธรรมธาตร่าง หลวปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านเจ้าคุณบุท ธ, ธาธาตุนะท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้โลวปูเทศท่านเรียกว่าใจสมเด็จพยานสังวรท่านเรียกว่าบิน ญ, ญาณธาตุมีชื่อหลายชื่อนะแต่จริงๆคือสภาวะเดียวกันคือสภาวะจิตที่มันเป็นอิสระอย่างแท้จริงละไม่ยึดถืออะไรเลยนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งสว่างสวยัยไร้ขอบไร้เขตไม่มีการไปไม่มีการมานะนั้นเป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่นี่นแหละ เข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงงั้นการที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นะเป็นลําดับลําดับไปเนี่ยต้องต้องมาหัดเจริญปัญญาให้ได้นั่งสมาธิไม่ทําให้เกิดปัญญานะครั้งหนึ่งคุณไตรภพนะเคยได้ยินชื่อไหมไตรภพสมัยหลวงพ่อยังไม่บวชนะเคยดูรายการถวายไลฟ์โชว์นิมนต์หลวงตามหาบัวไปก็เก่งนะนีมนต์หลวงตาไปออกโทรทัศน์ได้ไม่ธรรมดาหรอกนะ แ, แค่จะขอไปถ่ายโทรทัศน์ยังไม่ยอมง่ายๆเลยแล้วไปถามท่านในโทรทัศนะ์ว่าหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิมากๆนเนจะเกิดปัญญาหมหวงตาฮะอะไรนะเกิดอะไรนะบอกถ้าผมนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันสมาธิก็มีวิธีการของสมาธินะมีเป้าหมายต่างหากนะมีวิธีการต่งหาก มีเป้าหมายไปเพื่อความสุขความสงบของจิตใจมีวิธีการในการทําสมาธิหอน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะจิตอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขจิตไม่หนีไปไหนจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะและเรื่องของสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาหลักของการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนนะว่าต้องแยกธาตุแยกขันให้เป็นถ้าใครแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเราว่ า, วาเจริญปัญญานะนี่หลวงตามหาบัวสอนมาอย่างนี้นะหลวงพ่อเขเรียนจากท่านเหมือนกัน แต่แต่ก่อนไม่ได้เ อ, อ่ยชื่อท่านหรอกลูงศิษย์ท่านเยอะนะเดี๋ยวว่าเราไปแอบอ้างครูบาจารย์นี้ท่านสิ้นไปแล้วเราก็พูดได้บ้างแหลนะก็เคยเรียนกับท่านเหมือนกันนะั่นเราต้องมาหักนะอย่าไปคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญานะตัวนี้เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนั่งสมาธิแล้วจะมีพลังจะทําอย่างโน้นจะทําอย่าง น, งางนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับาศาสนาพุทธเลยนะออกนอกรูนอกทางไป ทำสมาธิทําไปเพื่ออะไรทําสมาธินั้นทําไปเพื่อให้จิตใจมันสงบจิตใจชุ่มชื่น ม, มีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจสงบชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องมาเจริญปัญญาต่อนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะให้เคยสอนให้ฟังท่านบอกท่านเห็นพวกนั่งสมาธินะแล้วก็เลิกออกจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแล้วฟุ้งได้ที่แล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่หวันะงว่าเดี๋ยวสงบอีก แล้ก็พอสงบแล้วก็กลวกปล่อยให้มันฟูอีกท่านบอกมันไม่ฉลาดเลยมันโง่มันเหมือนเราเอาน้ำนะไปใส่ในตู้เย็นนะให้มันเป็นน้ําแข็งพอมันเป็นน้ําแข็งได้ที่เราก็ออกจากตู้เย็นมาตั้งให้มันกลายเป็นน้ำนะพอเป็นน้ําเราก็ไปแช่ตู้เย็นให้มั น, เ ป, sequel, นมนะเป็นน้ำแข็งอีกหอกไปทำมาหาอะไรนะเป็นน้ําแข็งเราก็เอาน้ําแข็งมาใช้สินะทําสมาธิแล้วก็ต้องเอาสมาธิมาใช้งานนะมาทําให้เกิดปัญญา ปัญญาไม่ใช่อยู่เฉยๆทำสมาธิเฉยๆแล้วเกิดปัญญานักคนละเรื่องคนละโลกเลยนะจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเนี่ยต้องหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวล้างความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆวิธีที่จะให้เห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่นึกเอาแต่ต้องเข้าไปเห็นเอาจริงๆว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะประกอบด้วยส่วนต่างๆหลายส่วนส่วนที่เป็นร่างกายเป็นรูปธรรม เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะส่วนที่เป็นจิตใจก็มีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความจําได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วความรับรู้อารมณ์หรือจิตในวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นใจใจถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเคยได้ยินคําว่าขันห้าบ้างไหมใครสารภาพมาตรงๆนะใครไม่เคยได้ยินคําว่าขันห้าเลยในชีวิตในยกมือซีมีไหม ถ้าถ้าไม่ยกมือเดี๋ยวจะลองถามนะาสารภาพมาเร็วคนไหนไม่ได้ยินหลวงพ่อจะได้สอนให้ง่ายเพ้่อผอีกมีไหมมีคนหนึ่งขันห้าเนี่ยนะเป็นเป็นการที่เราค่อยๆฝึกแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆจะแยกเป็นขัน5ก็ได้จะแยกแบบอายตนะ6ก็ได้จะแยกแบบเป็นาธ 18, าตุ8ทธาตุก็ได้ จะแยกเป็นอินรีย์22อย่างก็ได้แยกแบบไหนก็ได้นะที่พุทธเจ้าสอนไว้หลายแบบแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเรายุคนี้พอจะได้ยินบ้างก็เรื่องขันห้าอายะตนะ6อะไรพวกนี้นะลึกกว่า น, นั้นก็ชักจะยากล้วยากสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นขันห้านะมันก็เป็นวิธีเดียวกันสมมติเราเห็นรถยนต์1นคันเราคิดว่ารถยนต์นี้มีจริงๆถ้าเราจับรถยนต์มาถอดออกเป็นชิ้นชิ้นลูกล้อจะไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหม ใครเห็นลูกล้อเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนแล้วละ่ะใช่ไหมตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์ฟองมาลายกันชนนะเบรกคันเร่งไม่ใช่รถยนต์สักอันน ะ, นะอะไรต่ออะไรนี่ไม่ไม่มีรถยนต์เขาจับมันถอดเป็นชิ้นๆเป็นนอ็อตเป็นสกรูเป็นสายไฟเป็นหลอดไฟแนะเป็นสีนะทีปะ่ประกอบกันสิ่งเหล่านี้เยอะแยะเลยอะไรต่างๆนะเป็นทันทันชิ้นมารวมกันขึ้นมาเป็นรถยนต์ พอจับมันถอดออกทีละชิ้นทีละชิ้นหลอดไฟก็ไม่ใช่รถยนต์ลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์นะอะไรๆก็ไม่มีรถยนต์นะรถยนต์จะหายไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราจับแยกออกมาเป็นส่วนๆได้นะเราจะว่าตัวเราหายไปนะแบบเดียวกับถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆเลยแต่เราไม่จําเป็นต้องมาถอดร่างกายเราเป็นชิ้นๆนะเดี๋ยวมันไม่กลับมารวมกันจะลําบากเอาไว้ใช้งานก่อน พระเจ้าสอนให้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆคําว่าส่วนเนี่ยนะภาษาไทยเรียกว่าคําว่าส่วนฝรั่งเรียก division อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วภาษาบาลีเรียกว่าขันคือคําเดียวกันขันแปลว่าส่วนๆนั่นเองเป็นขันห้าก็คือเป็น5ส่วนแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็น5ส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมคือร่างกายนี้ส่วนหนึ่งแยกออกไปส่วนที่เป็นความรู้สึก สุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวความรู้สึกอีกตัวหนึ่งเป็นตัวความจํำความจําก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้นี่เป็นความปรุงแต่งเรียกว่าสังขารเป็นอีกขันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ความจำนะเป็นคู่ละอันกัน แล้วก็จิตที่เป็นคนรู้เรียกว่าวิญญาณนะจิตเป็นคนรู้นะนะก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนรู้รู้ว่ารวมต่างๆเนะี่ยถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมากระจายออกมาเป็น5ส่วนนะแต่ละส่วนเนี่ยจะไม่มีความเป็นตัวเราเหลืออยู่นะเพราฉั้นเราอยากเขียวใต้มีปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นเนี่ยเห็นก่อนว่าไม่มีตัวเราก็มหาหันแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะวิธีที่จะแยกตัวเราเป็นส่วนๆนะี้ทำยังไง ขั้นแรกเราต้องฝึกเครื่องมือ2ตัวขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าสตินะตัวหนึ่งชื่อว่าสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธินะสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิ สมาธิเครือบเคลิมหรือไม่ก็เป็นสมาธิชนิดที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นดูท้องพองยุบจิตสงบอยู่ที่ท้องหายใจเข้าหายใจออกจิตสงบอยู่ที่ลมหายใจนะพุทโธพุทโธจิตสงบอยู่กับพุทโธนี่สมาธิที่จิตไปสงบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าสมาธิชนิดนี้นะเรียกว่าอารัมมณูฟนิชฌานทำสมถะทำความสงบได้อย่างเดียวไม่ทําให้เกิดปัญญา สมาธิที่จะทําให้เราเกิดปัญญาได้เนี่ยเป็นสมาธิที่จิตเนี่ยมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้นะมันถอนตัวออกมามันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตใจเป็นคนดูนี่มันแยกกายแยกใจออกมาได้นะแล้วก็แยกออกไปนะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะ มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจมันจะแยกออกไปอีกนะแล้วเวลาความปรุงดีปลุงชั่วอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ร่างกายความโกรธไม่ใช่ความสุขความทุกข์ความโกรธไม่ใช่จิตจิตที่เป็นเป็นคนไปรู้ความโกรธเข้าเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกต้องค่อยๆฝึก่จนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันแยกออกไปเป็นส่วนๆและปัญญามันถึงจะเกิดนะ แ, แยกไม่ออกนะนั่งสมาธิกี่สิบปีมก็อยู่แค่นั้นนะ่นะไปไหนไม่รอดหรอกนะนักปฏิบัติแยกได้ไหมอ่นะต้องหัดนะต้องหัดวิธีทำยังไงจิตมันจะแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้นะมีวิธีฝึกนะขั้นแรกเลยเราต้องค่อยๆสังเกตไปนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเค้เรานั่งหายใจก็ได้นะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ได้มุ่งที่ความสงบ แต่เดิมทําสมาธิเนี่ยมุ่งเอาความสงบเป็นตัวตั้งคราวนี้เปลี่ยนใหม่หายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวจะยืนก็รู้สึกตัวจะนั่งก็รู้สึกตัวจะนอนก็รู้สึกตัวนะครรู้สึกตัวเรื่อยๆหายใจเป็นสบายๆรู้สึกตัวไว้สักพักเดียวใจจะหนีไปคิดนะใจจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเช่นเรานั่งหายใจอยู่ดีๆแวบเดียวหนีไปคิดเรื่องที่บ้านละนะนะหรือว่าเรานั่ง เดินจงกรมอยู่เราเห็นร่างกายมันเดินนะเราคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆใจร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะแล้วก็สักพักเดียวใจก็หนีไปคิดแป๊บเดียวก็หนีไปคิดแล้วไม่ว่าเราทำอะไรอยู่นะแป๊บเดียวก็หนีไปคิดแล้วหลวงพ่อจะทดสอบให้พวกเราดูว่าใจเนี่ยหนีไปคิดเก่งมากเลยต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะแล้วพวกเราห้ามคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดห้ามพวกเราคิดนะ คิดไหมคิดเห็นไหมหัดอย่นี้นะหัดอย่างนี้ยหัดรู้ทันจิตที่คิดจะหยุดให้ซ้อมอีกทีอย่าคิดนะคิดไหมคิดเนี่ยหัดจําไว้นะว่าใจมันคิดแบบนี้ใจมันคิดเป็นอย่างนี้ค่อยๆหัดสังเกตใจที่คิดเรื่อยๆต่อไปพอใจมันหีไปคิดปุ๊บสติมันจะไปรู้ทันว่าใจนี้ไปคิดแล้ว ทันทีที่รู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยจิตจะกลายเป็นจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวทันทีเวลาที่เราหนีไปคิดสังเกตไหมเวลาที่หนีไปคิดเวลาที่เราไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายใช่เรามีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วในจิตใจเราก็ลืมใช่มดังเวลาที่เราหลงไปคิดเราไปรู้เรื่องราวที่คิดเมื่อไหร่นะ เรามีกายลืมกายมีจิตใจลืมจิตใจนะตรงที่เรามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนี่แหละมันทำให้เราเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานะมันเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะถ้ามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจก็ญญดนะจดนะเดินปัญญาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรใจหนีไปคิดนะเมื่อนั้นเจริญปัญญาไม่ได้นะแล้วเราลองสังเกตดูเวลาที่เราคิด เรามีร่างกายเราก็จะลืมเรามีจิตใจก็จะลืมยกเว้นกรณีเดียวคือเพ่งอยู่ที่กายที่ใจนะลองหายใจไปลองหายใจแล้วก็คอยรู้สึกตัวว่ากำลังหายใจอยู่ิห้ามหนีไปคิดเรื่องอื่นนะให้รู้สึกตัวว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่ดูออกไหมว่าเดี๋ยวก็รู้กายใช่ไหมเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็รู้ร่างกายเดี๋ยวก็หนีไปคิดใช่是 เนี่ยไปฝึกอย่างนี้ให้มากเลยนะกลับบ้านไปหรือกลับวัดไปนะไปทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นนั่งแล้วก็หายใจไปเนี่ยหายใจแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวนะแล้วพอใจมันหนีไปคิดค่อรู้ทันใจหนีไปคิดค่อรู้ทันห้ามไม่ได้หรอกแล้วก็อย่าไปห้ามมันถ้าห้ามเราเครียดอย่าห้ามนะให้รู้ว่ามันหนีไปคิดเราจะลองอีกอ้าวหายใจไปแล้วก็รู้สึกตัวไว้ เหนไหมมันนีไปคิดได้ดูออกอยังหากอย่างเนี้ยนะไปทำอย่างนี้ให้มากเลยนะถ้าทำได้สักเดือนหนึ่งเนียชีวิตเราจะเปลี่ยนเราจะมีความรู้สึกว่เราเป็นคนใหม่ขึ้นมาแล้วไม่ใช่คนเดิมและบางคนอยู่มา 5, 0ปี60ปีนะหลาย10ปีนะปี2 0ปีอะไรก็มนะีเราจะพบเลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยตื่นเลยเราตื่นแต่ร่างกาย จิต ข, ของเราเนี่ยหลงไปอยู่ในโลกของความฝันโลกของความคิดตลอดเวลาเราไม่เคยตื่นเลยนะมาฟังหลวงพ่อเทศแล้วนะแล้วกลับผ้านไปสอมเมานะหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆหรือไปทํางานบ้านก็ได้กวาดบ้านถูบ้านซักผ้าไปนะรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายกวาดบ้านไปใจหนีไปคิดคอยรู้ทันใจหนีวิคิดคอยรู้ทันจุดหลักก็คือคอยรู้ทันใจที่หนีไปคิดถ้าเรารู้ทันใจที่หนีไปคิดเมื่อไหร่นะ จะเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งขึอนมาแทนคือจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะมีความสุขอยู่ในตัวเองนะด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะต้องฝึกนะถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต่อไปเราจะหัดแยกแยกขันต่อไปอีกแต่เวลาร่างกายมันซักผ้าเราก็จะเห็นร่างกายมันซักผ้าใจเราอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูร่างกายกวาดบ้านแล้วก็เห็นร่างกายมันเป็นคนกวาดบ้านใจเราเป็นคนดูนะ หรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็เห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นใจเป็นแค่คนดูเมื่อใจมันจะถอยตัวออกมาเป็นคนดูถ้าใจถอยตัวมาเป็นคนดูได้เนี่ยมันจะเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าทุกสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นฝาถ้วยนี้ไหมฝาถ้วยนี้พวกเราเป็นคนรู้ใช่ไหมเคยเห็นฝาถ้วยนี้เป็นตัวเราบ้างนะถ้าถ้าเห็นนะปรึกษาจิตแพทย์ได้เลยนะ <laughs> เพียนหนักละนะแค่เห็นหนาฬิกาเป็นตัวเราบ้างมันของถูกดูอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนะนี่ยเราก็มาคอยดูอยู่ในร่างกายนะเห็นร่างกายมันเป็นของถูกดูมันไม่ใช่ตัวเรารไม่ต้องคิดเลยนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเองนะหัดให้มากนะหัดให้มากไว้แล้วตอนไหนที่ใจมันฟุ้งซ่านก็ทําความสงบดูไม่รู้เรื่องละแยกไกายแยกใจไม่ออกละ ถ้าทําความสงบไปพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปนะให้ใจสงบใจสบายมีความสุขตัวนี้เป็นสวยของการพักผ่อนเวลาที่เราทํางานทางโลกเรายัางแบ่งเวลาไว้พักผ่อนใช่ไหมเธอทําทงานเท่านี้ถึงชั่วโมงเท่า น, นี้ใช่ไหมครบเวลาทํางานตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนจิตนี้ก็เหมือนกันเวลาเราจเจริญปัญญาไปนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ แยก่าแจกขันดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยเห็นมันไม่ใช่ตัวเราไปเรื่อยเอมันก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็ให้จิตพักผ่อนร่างกายพักผ่อนด้วยการไปนอนนะจิตพักผ่อนด้วยการนอนไม่ได้นอนแล้วก็ไปฝันต่อยิ่งเรางานหนักๆคิดหนักๆฟุ้งซ่านหนักๆเนี่ยนอนแล้วฝันมากเลยฟุ้งซ่านมากงั้นจะไปนอนเอาแบบร่างกายพักผ่อนด้วยการนอนเนี่ยไม่ได้ที่ที่จะพักผ่อนจิตใจก็คือการทําสมถะกรรมฐาน น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับของการทําสมถนะนั้นไม่ใช่ยากอะไรเลยเองง่มากเลยนะการทําสมาธิเพื่อพักผ่อนเนี่ยเราต้องรู้จักดูตัวเองคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธพุทโธไปอย่าบังคับให้จิตสงบนะถ้าพุโทโธพุโทโธเมื่อไหร่ะรจะสงบพุโทโธเมื่อไหร่ะรจะสงบจะไม่สงบเลยจิตจะยิ่งเครียดหนักเข้าไปจิตต้องสบายใจ ถ้าพุโทโธแล้วสบายใจก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปด้วยความสบายใจนะพอพุโทโธไปอย่างสบายใจนะจิตก็ไม่ฟุ้งไปหาอารมณ์ที่อื่นจิตมันพอใจอยู่กับพุโทโธมันสงบอยู่กับพุโทโธนะก็ได้สมาธิชนิดสงบแนละได้พักผ่อนนะหรือคนไหนชอบหายใจหายใจออกหายใจเข้านะสบายใจหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเรารู้สึกไปอย่างสบยสบาย หายใจไปแล้วก็อยากสบายนะใจก็ไม่ฟุ้งไปที่อื่นใจก็สงบอยู่กับลมหายใจก็ได้ความสงบได้สมาธิชนิดพักผ่อนนะนี่พอพักได้พอสมควรแล้วจิตใจสดชื่นกระปรี่กระเพ่าแล้วก็ามาเดินปัญญาต่ออย่าพักแล้วก็พักไปเรื่อยๆนะเหมือนร่างกายเราพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ต้องมาทํามาหากินจะได้ร่ารวยขึ้นมาจิตใจก็เหมือนกันพักผ่อนพอสมควรแล้วมาหาดเจริญปัญญาจะได้ร่ำรวยนะร่ารวยของจิตใจเรียกว่าอาริยทรัพย์ นั่งรวยด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะด้วยศรัทธาด้วยการที่ได้ยินได้ฟังธรรมะอะไรต่ออะไรไม่ในชะ่ด้วยเป็นอริยทรัพย์นะเป็นทรัพย์สมบัติของจิตใจไม่ใช่ทรัพย์สมบัติทางร่างกายนะทางร่างกายเราก็มีบ้านมีรถมีเสื้อผ้ามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเป็นทรัพย์สมบัติทางร่างกายแต่ทรัพย์สมบัติทางจิตใจบางคนขาดแคลนมากเลยศีลห้ายังไม่มีเลยนะยากจนมาก สมาธิสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนี่ยังจนอยู่นะสติก็ไม่มีเลยฟุ้งซ่านทั้งวันเลยนะจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะนี่ยากจนมากในทางธรรมะงั้นเรามาค่อยๆฝึกนะวิธีของเรานะขั้นแรกสรุปเลยขั้นแรกรักษาศีล5ต้องรักษาศีลหพระก็ต้องรักษาศีล5้านะแม่ชีก็ต้องรักษาศีลห้านะพระบางทีแบบมีศีล2องแล้วลืมศีลห้ไปก็มีนะ หรือบางทีโยมชอบมาวัดมาขอศีลขอคนละห้าข้อห้าข้อนะแปบ๊บเดียวพระให้ไปหมดแล้วนะเขาตัวเองไม่เหลือเลยลำบากศีลไม่ต้องไปขอใครนะศีลที่เราไปขอกับพระนะเป็นแค่การไปหาพยานไปปฏิญาณตัวว่าต่อไปนี้ดิฉันจะถือศีล5้านะมีการปฏิญาณตัวเวลาจะทำผิดศีลจะได้ละอายใจเคยไปบอกพระว่าจะมีศีลแต่พวกเราบอกอัตโนมัตินะ อยากก็ไมอย่างอะไรมีสูงมีสูกรักกันัดทายากสวดกันเก่งมากเลยนะพอรับศีลเสร็จแล้วก็หันไปคุยกันจกแยกจกแยกเลยนะท้าก็เทศไฟโยงก็เทศไปอีกกลุ่มหนึ่งนะต่างคนต่างคุยเนี่ยศีลดังพร้อยแนละ้วพูดในเวลาที่ไม่สมควรพูดเนี่ยศีลดังพร้อยนะเพราะฉะั้นหลวงพ่อเคยไปเทศที่ชมลมผู้สูงอายุนะ ได้ยินชื่อแล้วก็สถานใจแล้วคงอย่เทศยากนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริพนอะเริ่มเทศเท่านั้นอนะ่ะคุณตาคุณยายท่านหลายนะก็คุยกันใหญ่บางคนก็ตะบันหมากคุยเ <c oughs> <c oughs> มาส์กันมันเลยนะเลยบอกนี่โยมทั้งหลายเมื่อเช้านี้ก็มีทำบุญเลี้ยงพระนะตอนเชา้ารับศีลอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะตอนบ่ายหลวงพ่อไปเทศเมื่อเชา้านี้รับศีลหรื อ, อยังครับแล้วรับแล้วกลัวจะต้องรับอีก บอกรู้ไหมเวลาพระเทศแล้วเราคุยกันศีลเราด่างพร้อยแล้วน ะ, ะคุณตาคุณยายก็กลัวศีลด่างพร้อยก็หยุดพูดไปได้หยุดได้ครึ่งชั่วโมงวันนั้นเทศได้ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแกทนไม่ไหวต่อไปแล้วเราแกไว้ฟังแล้วเราก็ไม่เทศแล้วพอแล้วแค่นั้นเ น, นี่ยเราต้องรักษาศีลท่านะศีลท่านี่มีประโยชน์มากจะทําให้เราเกิดสมาธิง่าย คนที่มีศีลจะมีสมาธิง่ายนะอย่างคนที่ไม่ฆ่าเขาไม่รังแกเขานะจิตจะสงบกว่าคนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นคนคิดทํำร้ายคนอื่นจิตสงบไหมไม่สงบนะคิดวุ่นวายก่อนจะทําร้ายเขาก็าต้องคิดใช่ไหมระหว่างทําร้ายเขต้องคิดต้องดูซ้ายดูขวาทําทร้ายเข้าไปแล้วตีเข้าไปแล้วฆ่าเข้าไปแล้วเขาต้งวลใจอีกใครจะเห็นหรือเปล่านะคนจะไปขโมยเขาก็ไม่สงบ ทั้งแต่ก่อนทำและวางทำหลังทำนคนประพฤติผิดในกรรมก็ไม่สงบนะวุ่นวายใจนะคนโกหกหลอกลวงจิตใจก็ฟุง้งซ่านนคนที่เล่าเมายาจิตใจก็ฟุ้งซ่านคนมีความเมตตากรุณาไม่ทำร้ายใครใไหจิตใจสงบนะคนรู้จักให้คนอื่นรู้จักช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ไปเอาของคนอื่นเขาะนะจิตใจมันก็สงบคนซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองจิตใจก็สงบ คนพูดความจริงไม่ต้องใช้ความจำมากคนโกหกต้องใช้ความจำมากใครเคยโกหกบ้างมีไหมห้องนี้หองนี้ถามใหม่ใครไม่เคยโกหกไหมมเราจะดูว่าใครจะโกหกเก่งที่สุดในห้องฉ ล, ลาดฉลาดนะคนเมือง น, นี้ไม่ยอมหลงกลเลยนะไปถามที่อื่นนะใครไม่เคยโกหกบ้างมียกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วชักเอใจเพื่อนไม่ยกเลยหดเก็บ ถ้าเรารักษาศีล น, นะใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุขใจเราจะองอาจฝึงายไม่กลัวใครหรอกเรามีศีล น, นะงั้รักษาศีล5ให้ได้นะถัดจากนั้นงานที่สองงานที่หนึ่งรักษาศีล5งานที่สองมาฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็คือทำอย่างที่ทำให้ดูตะกี้ชวนให้ทำตะกี้เนี้ย ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปนะแล้วเวลาใจมันหนีไปคิดคอยรู้ทันนะใจมันหนีไปคิดคอยรู้ทันรู้ทันใจที่หนีไปคิดนี้นะตอนที่ใจมันหนีไปคิดเนี่ยมันจะลืมตัวเองนะถ้ารู้ทันว่าใจหนีไปคิดนั้นมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวจิตใจที่อยู่กับเนือ้อกับตัวนี่แหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องที่จะใช้เจริญปัญญาได้ นะไม่ใช่สงบเฉยๆหรือเคยเห็นนูน่นเห็นนี่นะหาสาระไม่ได้เลยเลยนั่งสมาธิให้จิตมีพลังมีพลังแล้วไปทําอะไรนะไม่เกิดสติเกิดปัญญาคล้ายๆมีแรงเฉยๆแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์บางคนก็ไปฟิตร่างกายซะแข็งแรงเลยนะแต่ไม่เคยทําอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะทำนํำในกล้ามสวยๆไปงั้นเองอทําอาหากินอะไรไม่เป็นเลยนะจักรวาดบ้านสักทียังไม่เป็นเลยทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลย เพราะนั้นเรามีแต่สมาธิแล้วไม่เดินปัญญานี่งงโง่แล้วนะไม่ฉลาดออกเสียเวลาเหมือนไปฝึกจนร่างกายแข็งแรงนะไม่เคยเอาไปใช้งานเลยนะไม่ฉลาดถ้าเรามาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะใจลอยไปใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้นะฝึก บ, บ่อยๆพรอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วต่อไปก็ถึงงานที่3างานที่3มก็คือการเจริญปัญญาดูกายเข้าทํางานดูใจเข้าทํางานนะงานแค่นี้เองจะยากอะไร เคยดูร่างกายมันทำงานเคยดูจิตใจมันทำงานนะร่างกายหายใจออกก็รู้ทันร่างกายหายใจเข้าก็รู้ทันเห็นเลยร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะง่ายๆแค่นั้นเองดูจิตดูใจก็เหมือนกันนะเห็นเลยเดี๋ยวจิตใจก็เป็นสุขเดี๋ยวจิตใจก็เป็นทุกข์เดี๋ยวจิตใจก็ดีเดี๋ยวจิตใจก็โลภพวกโกรธก็หลงฟุ้งซ่านหดหู่สารพัดจะเป็น เราก็เป็นแค่ผลรู้คนดูก็จะเห็นเลยโอจิตใจนี้เต็ไมไปด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้เลยสั่งให้สุขมันก็ไม่เชื่อห้ามทุกข์มันก็ไม่เชื่อนะเคยไหมว่าตั้งใจจะไม่โกรธเคยไหมแล้วโกรธไหมโกรธเห็นไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้มไมไดอย่ามาขวนนะเพื่อนอกหักก็ไปปลอบเพื่อนเธออย่าไปคิดถึงเขาเลยเคยบ้างไหมไปปลอบแบบนี้ไม่ฉลาดหรอก ห้ามได้ไม่ไม่ให้คิดอ่ะห้ามไม่ได้ใจมันคิดได้เองเพราะมันเป็นอนัตตานะอนัตตาคือมันทํางานได้เองนะเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงเข้าไปร่างกายนี้หรอร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยใช่ไหมนั่งเมื่อยไหมนั่งนาน ๆ, ๆก็เมื่อยนอนมากๆเมื่อยไหมนอนต้องพลิกไปพลิกมากเพราะมันเมื่อยใช่ไหมคือหนึ่งพลิกตั้งหลายสิครั้งเมื่อยเดินมากก็เมื่อยนะ ยืนมากก็เมื่อยใช่ไหมนอนเต่ายดืดหรือเตียงอย่างแพงเลยก็ยังเมื่อยอีก ห, หายใจออกก็ทุกนะเชื่อไหมว่าหายใจออกก็ทุกลองหายใจออกเรื่อยๆนะอย่าหายใจเข้าลองดูซิเอานาทีเดียวแหละลองดูแล้วจะรู้ว่าความทุกข์มีจริงลองดูซิหายใจออกไปอย่าหายใจเข้านะทุกไหมไม่ทุกก็เพี้ยนละหายใจเข้าก็ทุกนะลองหายใจเข้าดิ าหายใจออกรู้หรื อ, อยังว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนจังหวะการหายใจเพราะความทุกข์มันบีบขั้นรู้หรื อ, อยังว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต้องขยับไปขยับมาเพราะความทุกข์มันบีบขั้นร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงของร่างกายจิตนะใจละ่ะจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยง ปเดี๋ยก็สุขประเดียเด๋ยวก็ทุกประเดี๋ยวก็ดีไปเดี๋ยวก็ร้ายเห็นไหมเช้าเช้าอารมณ์ดีมาถึงที่ทํางานปุ๊บเห็นหน้าคนนี้อารมณ์ร้ายละเขายังไม่ได้ทําอะไรเราเลยนะเห็นหน้าเฉยๆก็เกลียดเคยไหมเราเคยเห็นคนแปลกหน้าสักคนพอเห็นหน้าปุ๊บก็ไม่ชอบเลยมีไหม อ, อ, อยู่ๆเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยนะสงสัยว่าบรรพู้หุษ78ชั่วโคตรก่อนเคยด่าเราอะไรอย่างนี้นะออตัวมันไม่เคยเหรอกบันผู้หลุษมันอาจจะเคยอะไรนะเนี่นะนอยอยู่ก็เกลียดเขา้าเฉยเฉ เจอเคยเจอไหมเจอคนนี้รบปิ้งเลยชอบเฉยๆเลยเนะมื่อใดรู้จักอะไรเขาเลยเห็นปุ๊บก็ชอบปั๊บเลยนะใจของเราเนี่ยมันบังคับไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยนะตอนเช้าอารมณ์ดีตอนสายอารมณ์ร้ายนะกลางวันเอาไปกินข้าวกับเพื่อนอารมณ์ดีอีกแล้วนะกินข้าวอิ่มมากไปชักหงุดหงิดนะชักง่วงเจ้านายก็จะเรียกให้ทํางานนะคนไข้ก็ร้องวุ่วายนะจะให้เราดูแลเราก็ง่วงแย่ๆอยู่แล้ว สดชื่นไหมนม่สดชื่นเน่ใจของเรานะในวันเดียวกันนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลานะแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนนะเราไปหัดดูนะเราจะเห็นเลยใจเรา น, นี้ไม่เที่ยงความสุขก็สันส้นๆความทุกข์ก็สัน้สนๆนะความดีก็สัน้นโลภ โ, โกรธหลงเกิดแล้วก็ดับได้เหมือนกันนะทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในใจเรานะ แล้วก็เป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุข ก, ก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ตัวสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เรียก ว, ว่าอนัตตาตรงที่มันอยู่ได้ชั่วคราวเราก็หายไปเรียก ว, ว่าอนิจจังร่างกายนี้จะแสดงทุกชัดนะแต่จิตใจแสดงอนิจจังกับอนัตตาชัดนี่เราเฝ้าดูลงไปด้วยต่อไปปัญญามันจะเกิดนะปัญญาทุกขั้นทุกตอนเนี่ยมาจากการที่เจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆไป ไปฝึกดูนะแล้วบางคนเจวันบางคนเจเดือนบางคน7ปีนะใช้เวลาไม่นานบนรรลุพระรหันต์ก็มีนะบนรรลุพระนาคาก็มีท่าโซดาก็มีนะเป็นขั้นขันไปไม่บรรลุเลยก็มีบางคนพาวนามามสิบปียังไม่บรรลุเลยถามภาวนายังไงตกค่ำก็ไปนั่งสมาธินะหลับไป3ามชั่วโมงตื่นมาวันนี้สดชื่นสมาธิดียังไม่ได้ปฏิบัติเลยนะเป็นนั่งหลับนะ หรือวันหนึ่งไปเดินจงกรมเท่านี้เดินจงกรม1ชั่วโมงเวลาอีกยีิบสชั่วโมงกิเลสเอาไปกินหมดเลยนะไม่ค่อยได้ปฏิบัติปฏิบัตินิดเดียวไอ้ตอนเดินหนึ่งชั่วโมงนะก็เดินบังคับตัวเองเดินบังคับกายเดินบังคับใจหรือนั่งสมาธิสองชั่วโมงก็นั่งบังคับกายนั่งบังคับใจมันไม่ใช่การเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาได้จริงๆรนะเจ็ดวัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างยกเว้นพวกที่ดีมากๆกับพวกที่เลวมากๆนะไม่ได้ พวกที่ดีมากๆน ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาถูกต้องนะไม่บรรลุธรรมพวกนี้ใจอยากได้ของดีกว่านั้นอยากเป็นพระพุทธเจ้านะอยากเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาของสูงขึ้นไปไม่ได้อยากได้มากผลในชีวิตนี้อยากไปช่วยคนอีกนี่พวกนี้ดีเกินไปไม่บรรลุพวกเล็วเกินไปพวกด่าพระอรหันต์ด่าพระอริยะนะหรือพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่อนะไรเนี้ย พวกเราใครฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปแล้วบ้างมีไหมมีไห ม, มเออถ้าไม่มีนะใครได้ฆ่าพาาระอรหันต์แล้วบ้างมีไหมไม่มีได้ด่าพระบ้างไหมชักไม่แน่นะเนอะไม่ได้ฆ่าพาาระอรหันต์หรอกไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่หรอกแต่อาจจะด่าพระเนาะวิจารณ์องนั้นอย่างนี้องค์นั้นอย่างนี้นะตีตัวเองไม่ดูเลยะพระคอยจ้องจับผิดพระแม้น้อยใจไหมพระ น้อยใจสุดไปเลยไม่ใช่นาที่นะไม่ใช่น้าที่น้อยใจหนา้นาที่ต้องฝึกเตัเงให้ดีเลยอย่าให้มีจุดอ่อ น, อนเพราะงันพวกเราสํารวมนะกระทั่งคารวานเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นพระอริยะหรือเปล่าบางคนถ้าทําไม่น่าเชื่อถือเลยนะไม่น่าเชื่อถือไม่น่านับถือเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะ แต่หลวงปู่เขไม่ถึงขนาดพยากรหรอกคนนี้โสดาสกตาคาอะไรท่านก็ไม่บอกหรอกนะมีวันหนึ่งไปที่ตลาดตลาดสดนะเห็นแม่ค้าคนหนึ่งนั่งขายผักอยู่ผักน่ะเหี่ยวใช่ก็ขายมานานแล้วขายไม่ค่อยจะออกแต่หน้าตาแม่ค้านะั้นสดชื่นมากเลยแม่ค้าอายุเยอะนะสดชื่นผ่องใสโห่ฝุดฝ่องมากเลยหน้าตาทั้งๆ ท, ที่เหี่ยวทั้งๆ ท, ท, ที่แก่นะั้นนะแต่แช่มชื่นมาก ก็ไปคุยกับแกดูโอ้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันเลยนะถามชื่อถามแท่ไปแล้วเสร็จแล้วไปถามพระชื่อแม่สเกียร์ว่านะโอ้ที่ตลาดเร้เห็นมีคนภาวนาเก่งๆนะมี่บาคนฉีดสมล้อนะว่าภาวนาเก่งๆเราไม่รู้หรอกว่าใครพาวนาดีไม่ดีนะงั้นทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยเราอย่าไปปรามาสล่วงเกินใครสักคนเลยนะดีที่สุดอย่าไปจับผิดคนอื่นใครดูกิเลสของเราเองกิเลสเราก็นับไม่ไหวเราไม่ต้องไปนับกิเลสคนอื่นหรอกเสียเวลา ถ้าภาวนาเป็นนรู้เลยกิเลสเราเนี่ยไวมากเลยแต่เดี๋ยวก็เกิดแต่เดี๋ยวก็เกิดอยากทดสอบไหมว่าเกิดกิเลสจริงไหมอยากลองดูไหมกิเลสตัวหนึ่งนะที่เกิดไวก็คือความฟุ้งซ่านของจิตจิตเนี่ยชอบฟุ้งซ่านชอบหนีไปคิดหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วดูซิว่าจะหนีคิดไหมหมดห้องเลยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งไป ฟุ้งไปซ่านไปนะหนีไปนะขนาดนี้มีความสุขรู้สึกไหมในห้องนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมมีความสุขดีจิตเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขกำลังพอใจในความสุขอยู่รู้ไหมไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่ไม่เห็นหรอกนั่นอะราคาะนั่งฟังเทศแท้ๆเลยเกิดราคาได้หนัเกเลียดหนักเกลียนเนาะแต่นี้ราคะในทางทางธรรมะนะ จิตมันยินดีแม่มีความสุขฟังหลวงพ่อประโมทเทศปกติเวลาบ่ายโมงเนี่ยพระองค์ไหนเทศเราก็หลับหมดอะจิตเราสงบอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจิตเรารวมเรียจิตรวมรวมข้าอะไรรวมข้อกม oha ห, หลับสนิทเลยนะเรามาฟังหลวงพ่อเทศนะั้นยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่พอใจในความสุขเราไม่เห็นตัวนี้ราคาละนะถ้าเราเห็นเราจะรู้เลยจิตมีราคานะหรือ สังเกตไหมจิตตอนนี้ที่ว่ามีความสุขเริ่มสงบลงไปแล้วความสุขค่อยๆเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเริ่มสงบยิ่งๆลงมาดูออกไหมนะใจสงบกว่าเมื่อกี้แล้วหไหมเมื่อกี้มีความสุขตอนนี้เริ่มสงบลงมาแล้วเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยงเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะวิธีเจริญปัญญาดูของจริงเข้าไปเลยนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูไปเห็นคนเดินเห็นไหมีหนคนเดินใจเขาวิ่งฉบไปหาเขานึกออกไหม ใจก็โดดหนีไปลืมตัวเองเนี่ยจิตฟุง้งซ่านอีกแล้วกิเลสเกิดอีกแล้วเห็นไหมเกิดเร็วไหมเร็วมากกิเลสเกิดเร็วมากนะกุศล น, นะเกิดยากกว่านะแต่ถามว่าระหว่างกุศลกับอกุศลเนนะี่ยอะไรทำยากกว่ากันใครว่ากุศลทำยากยกมือซิหลวงพ่อพติก๊กบอกให้ยกมือนะใครว่ากุศลทายากใครว่าอากุศลทาง่าย พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบอย่างนั้นนะท่านบอกคนดีนะ่ยทำดีง่ายทำชั่วยากคนชั่วนะทำชั่วง่ายทำดียากใช่ท่านไม่ได้บอกว่าอะไรง่ายอะไรยากปรกันนะมันมีหลายเงื่อนไขอย่างถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยให้เราไปขโมยเขาเนี่ยเราทำาไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้แล้วเราเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วละ่ะบอกว่าอย่าไปต้นเขานะตอนนี้ไม่มีคนเห็นเลยเนี่ยเขาทำเพชรอยู่หล่นอยู่ตรงนี้อย่าไปเอาของเขานะทายากนะ มันอยากได้นะนั้นถามว่าอะไรทําง่ายกว่ากันระหว่างดีกับช่วยยังตอบไม่ได้พรนะพุทธเจ้าท่านตอบไว้ชัดเจนเลยว่าคนดีทําดีง่ายทําช่ว ย, ยากนะคนช่วยนะทำช่วง่ายทําดียากนะส่วนของเราเนี่ยให้กันบ้านคนเรียนกนรรมฐานกับหลวงพ่อนะนอกจากต้องฟังแล้วเนี่ยยังต้องทํากันบ้านด้วยวิธีทํากันบ้านก็คือไปสํารวจใจของเรานะว่าเวลานี้ใจของเราเป็นยังไง ใจเรามีความสุขหรือใจของเรามีความทุกข์หรือใจเราเฉยๆฉยคอยรู้ไปเรื่อยๆนะหรือว่าใจของเราดีหรือว่าใจของเราโลภโกรธหลงขึ้นมานะฟุ้งซ่านหดหู่ขึ้นมาใจชั่วเนี่ยคอยสำรวจใจของตัวเองไปเรื่อยๆว่าตอนเนี้ใจของเราเป็นยังไงใจเราตอนนี้มีความสุ ข, ขรู้ว่ามีความสุขวุ้ยตอนนี้มันชอบในความสุขนี่มีราคารู้ว่ามีราคนะ ดูเท่าที่ดูได้ดูเท่าที่ดูได้แต่ดูให้บ่อยหน่อยวันหนึ่งดูวันวันละครั้งสองครั้งน่าเกลียดไปนะอยากได้มากผนนิพาเนาะดูบ่อยๆนะใครดูใจของเรามันเปลี่ยนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไปดูเรื่อยๆนะเราจะพบว่านังมารร้ายตัวจริงไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกนะอยู่ที่ตัวเรานี่เองร้ายกว่าที่คิดนะร้ายกว่าที่คิด แต่ละคนเราก็คิดว่าเราดีนะอย่างมากเราก็แกล้งทำเป็นว่าฉันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกความจริงในใจเรื่ฉันดีกว่าเธอต้องเยอะนะ่แต่ถ้าไปดูหัดดูใจของเราเรื่อยๆรเราจวรูกิเลสเราเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ไปหัดดูบ่อยๆทุกคราวที่ดูนะเราจะได้หนึ่งคะแนนได้สติหนึ่งครั้งแล้วเก็บคะแนนไปเรื่อยๆ นะบางคนบอกปฏิบัติมาตั้ง3ปีแล้วทําไมไม่ได้ผลโทบวันหนึ่งดูสองครั้งได้2คะแนนเองอีกคนหนึ่งนาทีหนึ่งดูได้ตั้ง10ครั้งใช่ไหมเขาได้10คะแนนเดี๋ยวเราจะมาอ้างแต่ว่าจํานวนเวลาฉันปฏิบัติมานานแล้วทําไมไม่บรรลุคนนั้นมันทำแป๊บเดียวมันได้ธรรมะไปแล้วอนะไรย่างเงี้ยเพราเขาดูเยอะะเขาเก็บสะสมแต้มไว้เยอะเราหัดดูบ่อยๆนะมันจะยากอะไรหัดรู้ทันร่างกายจิตใจของตัวเองทุกคนรู้ได้อยู่แล้ว ทุกคนลองยิ้มสิยิ้มพระก็ยิ้มได้ชีก็ยิ้มได้นะแก่ไงก็ยิ้มได้เอาทุกคนยิ้มสิยิ้มยิ้มยิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มลองทําหน้าบึ้งสิทุกคนทําหน้าบึ้งรู้สึกไหมร่างกายหน้าบึ้งเห็นไหมรู้สึกได้เห็นไหมไม่ยากอะไรหรอกแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจนะร่างกายก็หัดรู้ทันไปอย่างเนี้ยจิตใจก็หัดรู้ทันไปมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้หัดรู้บ่อย หัดรู้ร่างกายร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้านะบางคนเก่าแกร๊แกแๆร๊กกนะบางคนเช็ดน้ำมูกเห็นไหมคนอย่างโน้นอย่างนีนะ้ใครมานั่งตั้งนานแล้วยังไม่เก่าเลยบ้างมีไหมมีไหมเนี่ยที่นี่ว่ายอมตอบนะสงวนท่าทีมากเลยกลัวพลาดกลัว <c ười> พลาด เห็นไหมเนี่ยคนที่กินน้ําเห็นไหมร่างกายมันกินน้ำเห็นไหมแค่รู้สึกมันจะยากอะไรอ่ะใช่ไหมเนี่ยคนนั้นเช็ดลูกกระตางง่วงเต็มทีแล้วะไรจะจบนะเออเออเแค่แค่รู้สึกเนะี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกนะยิ้มก็รู้สึกหน้าบึ้งก็รู้สึกขยับตัวก็รู้สึกนี่ทหารรู้สึกเรื่อยๆอยู่ในร่างกายแต่ไปจะเห็นร่างกายไม่ใช่เรา แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ายคอยรู้สึกไปแล้นะอย่าไปจ้องนะอย่าไปจ้องอยู่ที่ร่างกายอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตใจมันจะแข็งมันจะเครียดเครียดถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเครียดเนี่ยสรุปได้ทันทีผิดแล้วปฏิบัติธรรมแล้วต้องร่าเริงนะสมัยพุทธกาลนะมีคนไปเฝ้าพระทธเจ้าก็เดินเข้าไปในวัดพุทธเจ้าท่านอยู่กุฏิลึกหน่อยเาผ่านพระไปหลายองค์ เขไปพบพระพุทธเจ้าแนละ้วเขาก็ไปถูลพระพุทธเจ้าอาศจรพระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริงนะเขาไม่ได้ชมนะอาศจรพระเจ้าข้าภิกษุ ข, ของพระองค์สงบหงอยหงอยพวกเราเคยเห็นไหมนักปฏิบัติทาเหมือนคนสังกตายเหมือนพ่อก็เพิ่งตายแม่ก็เพิ่งตายทาอะไรทั้งน้อย่อย่างนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติที่ถูกนะ ใจมันต้องปล่อยให้มันทำงานต้องมีสติรู้ทันมันไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวก็วรู้ทันฝึกไปให้มากต่อไปปัญญามันเกิดมันจะเห็นใ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราหรอกไม่มีเราหรอกนะถ้าดูตัวนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันนะไม่ยากเกินไปหรอกไปฝึกดูนะพอสมควรแก่เวลาแล้วนะงนั้นเทนมากกว่านี้เลยขั้นโสดาบัน เอาขั้นแรกให้ได้ก่อนไม่ยากหรอกนะไม่ยากหรอกฆราวาสก็ทําได้นะโซดาซาล า, า, าคาอะไรนะฆราวาสก็ทําได้ไม่ยากแต่ขึ้นชั้นอนุขานี่นักบวช ด, ดีกว่าฆราวาสนะเพราะฆราวาสเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกรรมอยากกินเมื่อไหร่ก็กินดึกเดินเที่ยงคืนอะไรก็ลุกขึ้นมาหาอะไรกินได้อีกนะอยากจะนอนยังไงก็นอนนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆอย่างพระเนี่ย ดึกๆขึ้นมาอยากกินไหมก็อยากเหมือนกันนะพระก็หิวเป็นอ่ะแต่ไม่ได้กินใช่ไหม อ, อยากก็ไม่ได้กินอยากนอนสบายสบายก็ไม่มีที่จะนอนมีแต่เสือนะนอนมียุงร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยนะบางทีอ oh. ชีวิตมันลำเคงกว่าคราวาสเงี้งั้นพระเนี่ยนะเวลากิเลสเกิดนะเวลาความอยากเวลากามเกิดเนี่ยเห็นโทษเห็นไฟมากเลยส่วนโยมไม่ไม่เห็นโทษเห็นไฟหรอก ดึกๆอยากกินอะไรก็ลุกขึ้นชงมาม่าได้อีกนะอคร า, าะจะเอาอย่างก็น่าเกลียดใช่ไหมมีไหมองไหนดึกๆกินมาม่ามีไหม <c oughs> สังเกตไหมใจตอนนี้ฟุ้งซ่านดวกไหมไเนี่ยใครรู้ทันสังเกตไหมพอเรารู้ว่ามันฟุ้งซ่านมันเริ่มสงบแล้วดวกไหมเนี่ยดูอย่างเงี้ยง่ายๆนะง่ายๆไปหัดนะไปหัด แล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีค่อยมาส่งกันบ้านยาถาวาริวหาภูราปริปูเรนตีสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชโตสัเพปูเรนตูสังกปา จันทถปนรโสยธามิโชติระโสยธาสัพีติโยวิวัชชันตุสพโรคโควินัสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่ขายโกูภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปยยจัยโนจตารโธรมาวันตียอายุวันโนสุขังพระลัง